กลิ่นเนื้อมนุษย์แท้ๆที่ปราศจากการทำความสะอาดด้วยน้ำและสะบู่นั้นเหม็นยิ่งกว่าอะไรดีแต่ก็มันประพรมเครื่องหอม ห, อมหลอกจมูกทำให้เกิดความหลงอุปาทานไปว่าทั้งร่างหอมฉุยผิดแผลกแตกต่างจากสัตว์โลกชนิดอื่นการไม่มีกลิ่นหอมอบอวลหลอกจมูกทำให้ความตระหนักเกี่ยวกับกามลดลงนิดหน่อยแต่ก็สังเกตด้วยว่าเราไม่ใส่